เจ็ดเดือนบัลุธรรมเดือนที่ห้าวันที่สิบเอ็ดถึงสาสิบเอ็ดอินซียสังวรความเข้มแข็งทางใจที่เกิดขึ้นหลังจากคุยกับคนรักจนรู้เรื่องทำให้ฉันเริ่มคุ้นคิดเกี่ยวกับวิธีพัฒนาจิตให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นเพื่อความเป็นผู้ภาวนาที่มุ่งมักมุ่งผลอย่างแท้จริงสมาธิฉันทำได้ค่อนข้างอยู่ตัว เดินจงกรมก็เริ่มนานขึ้นเป็นสองชั่วโมงไม่เหนื่อยยิ่งเดินยิ่งตัวเบายิ่งเบาและเห็นความเป็นขันห้นาอายตนะหกชัดเจนแจ่มแจ้งไปหมดเช่นนี้เหลืออะไรอีกบ้างที่ยังไม่ได้ทำวันหนึ่งขณะนั่งทานข้าวกลางวันกับลูกค้าชั้นเคี่ยวของอร่อยแล้วเห็นจิตตัวเองมืดมนจากความมัวเมาในรถสติก็เริ่มเกิดและก่อนจะตักคาต่อไป ก็เห็นความทยานอยากแล่นไปข้างหน้าราวกับร่างแหกกว้างใหญ่พุ่งออกไปครอบจานกับข้าวฉันสะดุ้งชะงักนิดหนึ่งสติที่อบรมจนแข็งแรงแล้วนั้นถึงหลับไหลลุ่มลงไปด้วยความมัวเมารสแต่เมื่อกลับมาทำงานอีกครั้งเพียงวินาทีเดียวก็ไขจิตให้สว่างขึ้นแบบฉับพลันทันทีรสอร่อยยังคาลิ้น ภาพอาหารที่เข้าตาก็สวยน่ากินอย่าบอกใครแต่จิตที่มีกำลังสติเหนือกว่าสุขเวทนาทางตาและทางลิ้นนั้นทำให้เห็นภาพสวยและรสอร่อยเป็นของเล็กกับเปรียบเทียบถูกว่าสุขเวทนาทางใจซี่ใหญ่กว่าน่าปรารถนากว่ากันแน่นอนว่าหากไม่ปฏิบัติมาจนเห็นค่าของจิตอยู่เหนือสิ่งอื่นใดความคิดเปรียบเทียบเช่นนี้ย่อมไม่เกิดขึ้น ฉันกระแอมนิดหนึ่งไม่อยากทําท่าทําทางให้ลูกค้าผิดสังเกตจึงเอื้อมมือไปตักกับข้าวตามปกติคนอื่นย่อมเห็นแต่ลักษณะาภายนอกที่ดูธรรมดาแต่ฉันรู้อยู่ข้างในคนเดียวว่าสติกําลังทํางานสิ่งที่ปรากฏต่อสติคือใจที่ทําความสําคัญในภาพอาหารทาความสาคัญในรสชาติอย่างรู้ล่วงหน้าว่า เดี๋ยวจะเข้าไปคลุกลิ้นแล้วบังเกิดความอริดอร่อยปานใดฉันรู้เฉยๆโดยไม่ทําอะไรกับความอยากลิ้มนั้นเมื่อเอาช้อนส่งข้าวและกลับเข้าปากก็ปล่อยให้เกิดอาการมัวเมาอย่างเคยเพื่อทําความรู้จักกับกิเลสเครื่องผูกใจให้ชัดเจนฉันเพิ่งสังเกตว่าแม้แต่จะยกแก้วน้ําขึ้นดื่มยังมีความอยากลิ้มรสอันจือสนิทที่ถือว่าอร่อย สำหรับความเป็นน้ำดื่มบริสุทธิ์โอ้โหแทบเรียกว่าเกิดมาไม่เคยเห็นเครื่องผูกใจทางปากชัดๆอย่างนี้เลยฉันไม่ฝืนไม่พยายามเกรงกับการลิ้มรสแต่สำหรับคำต่อไปอาหารจานเดียวกันนั่นเองฉันไม่เคี้ยวเอารสแต่เคี้ยวเอาสติรู้ว่ากำลังเคี้ยวฉันไม่กลืนเอาความอิ่มแต่กลืนเอาสัมปัสชัญญะ นี่คือหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ตั้งแต่ในหมวดกายแต่ฉันไม่เคยให้ความสำคัญอย่างแท้จริงเลยการมีสติสัมปชัญญะในกายดีแล้วนั่นเองคือความคุ้มครองอายตนะไปในตัวถ้าหากอบรมดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกินอาหารรสแย่ๆด้วยเจตนาหักดิบกับกิเลสอันเกิดแต่รสล่อลิ้นก็ได้นับแต่เมื่อกลางวันนั้นเป็นต้นมา ฉันก็เริ่มสังเกตอาการทยานของจิตถี่ท้วนขึ้นได้เห็นปฏิกิริยาทางจิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมากขึ้นทุกทีฉันพบว่าบางครั้งเราปล่อยให้ใจทยานไปยึดตามสบายเห็นด้วยสติแล้วดับเองโดยไม่ต้องทําอะไรแต่บางครั้งทับปล่อยให้ทยานไปแล้วจะหยุดไม่อยู่สติไม่มีกําลังพอจะเห็นโดยความเป็นภาวะเกิดแล้วต้องดับเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นไปได้ก็ตัดไฟแต่ต้นลมจะดีกว่าปล่อยให้ไหม้แล้วค่อยหาทางดับในเรื่องกลิ่นที่ผ่านมาฉันยังพึงใจกับเครื่องหอมที่พรมครอบตั้งแต่ศรีรษะถึงกลางตัวชอบใจว่าเนื้อหอมกว่าเครื่องค่อนวันไปไหนก็พาความหอมติดตัวไปด้วยพอลองเลิกใช้ก็พบว่าที่ผ่านมาจิตหลงอุปาทานว่าตัวเองหอมเส็ดตั้งนาน กลิ่นเนื้อมนุษย์แท้ๆที่ปราศจากการทำความสะอาดด้วยน้ำและสะบู่นั้นเหม็นยิ่งกว่าอะไรดีแต่ก็มันประโภมเครื่องหอม ห, อมหลอกจมูกทำให้เกิดความหลงอุปาทานไปว่าทั้งร่างหอมฉุยผิดแผกแตกต่างจากสัตว์โลกชนิดอื่นการไม่มีกลิ่นหอมอบอวนหลอกจมูกทำให้ความตจรึกนึกเกี่ยวกับการลดลงนิดหน่อยแต่ก็สังเกตด้วยว่า เราไม่ใส่คนอื่นก็ใส่อยู่ดีโดยเฉพาะตอนสาวๆเดินโฉบไปโฉบมาแล้วได้กลิ่นชนิดเตะจมูกสุดเด็ดก็ยากจะกำหนดสติได้ทันกลิ่นกายเป็นสิ่งยั่วให้ติดหลงได้ไม่แพ้รูปกับเสียงและกลิ่นก็เป็นอีกอยัยตนะภายนอกหนึ่งที่เราปิดป้องไม่ได้หากไม่ให้ความสำคัญไว้กับการรู้ลมหายใจอย่างสม่าเสมอ ไม่คำนึงเฉพาะการหายใจให้ต่อเนื่องไปให้ความสำคัญกับกลิ่นเด่นกระทบจมูกก็เสร็จฉันมาพลิกดูเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันไม่ให้กิเลสรั่วรถจิตผ่านอายตนะซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้หลายแห่งในข้อที่ว่าด้วยอินรียสังวรใจความสำคัญโดยสรุปคือด้วยอาการอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินรีทั้งหลาย อาการนั้นคือเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องสิ่งกระทบด้วยกายรู้แจ้งความคิดนึกด้วยใจโดยไม่ให้ความสำคัญกับลักษณะโดยรวมไม่ให้ความสำคัญกับลักษณะปลีกย่อยเมื่อให้ความสำคัญโดยไม่สํารวมก็จะเป็นเหตุให้ถูกครอบงำด้วยอกุศลธรรมเช่นความเลงอยากได้และโทมนัส แต่หากปฏิบัติเพื่อสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายสรุปคือสตินั่นเองเปรียบประดุดหลังคาทำหน้าที่ป้องกันกิเลสอันเปรียบเสมือนสายฝนพร้อมจะหลั่งรถจิตอันเปรียบเหมือนผู้อาศัยในบ้านเพียงไม่ทำความสาคัญกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดทางกาม แต่มีสติอยู่กับฐานที่มั่นอันไม่เป็นโทษก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้สำรวมในอินทรีย์หรือที่เรียกว่าเป็นผู้มีอินทรียสังวรชีวิตคารว่าซับซ้อนเกินกว่าจะมีอินทรียสังวรได้สบายๆแค่อ่านข่าวธรรมดาๆเกี่ยวกับการขค่มคืนที่นักข่าวเขียนบรรยายเสมือนหนังสือปกขาวหรือดูโฆษณาทางโทรทัศน์ที่เกณฑ์สาวๆมานุ่งน้อยห่มน้อย สติก็พร้อมจะเตลิดกระเจิงไปไหนต่อไหนไกลแล้วฉันเริ่มครุ่นคิดขึ้นมาอีกว่าถ้าเป็นพระก็ดีสิถ้าตั้งใจจริงก็ถือว่าเป็นโอกาสอันงามแก่การเจริญอินทรียสังวรอย่างหาที่เปรียบมิได้เนื่องจากหน้าที่หลักของพระคือทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งเท่านั้นไม่จำเป็นต้องใส่ใจภารกิจอื่นหลีกเลี่ยงการเข้าหมู่เข้าสังคม เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมกิเลสได้หมดสําหรับพระควรมีอินทรียสังวรตั้งแต่เริ่มถือบวชแต่สําหรับคารวาสจะมีอินทรียสังวรกันหลังจากภาวนาได้ผลระดับหนึ่งแล้วเกือบทั้งเดือนนี้ฉันเน้นสํารวมระวังอายตนะต่างๆจนเริ่มเห็นค่าเพราะจิตที่ตั้งมัน่นยิ่งตั้งมั่นบริบูรณ์แม้ขณะอยู่ในชีวิตประจาวัน แล้วก็มีกําลังใจว่าเดือนหน้าจะทำอะไรให้เกิดความก้าวไกลไปมากกว่านี้อีกสรุปสิ่งที่ได้จากเดือนที่ห้าความรู้จักกายใจโดยความเป็นอนัตตาผ่านสติรู้อายตนะ 2. ความสำรวมระวังไม่ให้กิเลสรั่วรถจิตมีใจเข้มแข็งเด็ดขาดยิ่งยิ่งขึ้นไม่หลงเอาของร้อนมาเป็นสมบัติ ด้วยความนึกเข้าใจว่าเป็นของเย็น